ความย่อแห่งพระไตรปิฎกการย่อความแห่งพระไตรปิฎกได้แบ่งออกเป็นสองตอนติดต่อในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันคือตอนแรกย่อความพอให้เห็นว่าในพระไตรปิฎกแต่ละเล่มตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสีบห้าว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเป็นการสํารวจอย่างคร่าวคร่ครั้งหนึ่งก่อนในตอนที่สองจึงขยายความให้พิสดารพอที่จะรู้เรื่องพระไตรปิฎกเหมือนกับได้อ่านเอง ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายการย่อความในตอนที่สองนี้ท่านผู้อ่านจะรู้สึกเหมือนหนึ่งได้ท่องเที่ยวไปในพระไตยปิฎกเก็บใจความสำคัญได้ตลอดโดยวิธีนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้เห็นหน้าตาของพระไตยปิฎกชัดเจนขึ้นโดยปกติพตระรตยปิฎก45เล่มนั้นมากไปสำหรับคนทั่วไปจะอ่านให้จบทุกเล่ม แต่ถ้าเก็บใจความสำคัญมากล่าวไว้ดังที่ทำในภาคนี้ก็จะช่วยให้สะดวกในการอ่านการถือเอาความยิ่งขึ้นมีข้อที่ขอซ้อมความเข้าใจไว้ในที่นี้คือวินัยปิดกตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่ม8ปดรวมแปดเล่มสุดตันตปิดกตั้งแต่เล่มเก้าถึงเล่มส3สสารวม25ห้าเล่มอภิธรรมปิดกตั้งแต่เล่มสามีถึงเล่มสี่ิบห้ารวมสิบสองเล่ม รวมเป็นเล่มพระไตรปิฎก45เล่มต่อไปนี้ขอเชิญท่านอ่านความย่อตอนที่หนึ่งต่อไปเล่มที่หนึ่งชื่อมหาวิพังเป็นวินัยปิฎกได้กล่าวไว้แล้วในภาคหนึ่งว่าด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎกว่าวินัยปิฎกนั้นว่าด้วยวินยัยหรือศีลของภิกษุและภิกษุณี เมื่อจะกล่าวโดยเรียงลําดับเล่มวินัยปิดกแปดเล่มนั้นเล่มหนึ่งเล่มสองมีชื่อว่ามหาวิพังหรือภิกขุวิพังว่าด้วยศีลสองร้ของภิกษุเล่มสามมีชื่อว่าภิกุณีวิพัง์ว่าด้วยศีลสามสอดของนางภิกษุณีเล่มสี่เล่มห้ า, า, า ม, 4, ม, 5, มีชื่อว่ามหาวักแปลว่าวักใหญ่หรือพวกใหญ่ คือว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับสง์ที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญและต้องทําเสมอเช่นเรื่องจีวรเรื่องอุโบสถปวารณาการจําพรรษาเล่มหกเล่มเจ็ดมีชื่อว่าจุลวัคแปลว่าวัคเล็กหรือพวกเล็กคือว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสง์ที่มีความสําคัญรองลองมาจนถึงเรื่องเบตตะเล็ดเช่นเรื่องข้อวัดต่างๆเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นต้น ส่วนเล่มสุดท้ายคือเล่มที่แปดมีชื่อว่าปริวานเป็นการรวบรวมความรู้ในวินัยปิฎกทั้งเจ็ดเล่มข้างต้นจัดเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายสมาคมบาลีปรกรณ์ประเทศอังกฤษเรียกมหาวิพังและภิกขุนีวิพังรวมกันว่าสุตตะวิพังเฉพาะเล่มหนึ่งมีการแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆให้ชื่อว่ากันรวมทั้งสิ้นเจ็ดกันคือ 1>, 1. เวรันชกันเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะเมืองเวรันชาจนถึงเรื่องพระสารีบุตรขอให้ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อความดํารงมั่นแห่งพระพุทธศาสนาจนถึงเสด็จออกจากเมืองเวรันชาไปยังกรุงพาราณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีและเสด็จถึงกรุงเวสาลีราชธานีแห่งแคว้นวัชีในที่สุด 2. ปรถมปาราชิกกันว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งคือสิกขาบทที่ห้ามภิกษุเสพเมถุนพร้อมทั้งเรื่องราวที่ทรงแก้ไขเพิ่มเติมวินิจฉัยไต่สวนและตัดสินเป็นรายไป 3. ทุติยปาราชิกกันว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สอง คือสิกขาบทที่ห้ามีให้ภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ตั้งแต่ราคาห้ามาสกขึ้นไปพร้อมทั้งเรื่องราวที่ทรงแก้ไขเพิ่มเติมวินิจฉัยไต่สวนและตัดสินเป็นรายรายไป 4. ตติยะปาราชิกกันว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทรงบัญญัติาราชิกสิกขาบทที่สามคือสิกขาบทที่ห้ามให้ภิกษุฆ่ามนุษย์ พร้อมทั้งเรื่องราวที่ทรงแก้ไขเพิ่มเติมวินิจฉัยไตย่สวนและตัดสินเป็นรายรายไป 5. จะตุตตะถะปาราชิกกันว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สห้ามมิให้ภิกษุอวดคุณในวิเศษที่ไม่มีในตนพร้อมทั้งเรื่องราวที่ทรงวินิจฉัยไตย่สวนและตัดสินเป็นรายรายไปห เตยรัสกันแปลว่ากันอันว่าด้วยอาบัตสังฆาทิเศษส3สข้ออาบัตสังฆาทิเศษเป็นอาบัตหนักรองลงมาจากอาบัตราชิกเมื่อต้องเข้าแล้วต้องอยู่ปริวาสเทาวันที่ปกปิดไว้แล้วอยู่มานัดอีกหราตรีเสร็จแล้วจึงประชุมสงฆ์ไม่น้อยกว่า20สิบรูปทำพิธีสวดถอนจากอาบัตสังฆาทิเศษ ทั้ง13าข้อนี้ได้มีการบรรยายความเป็นมาที่เป็นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบททรงแก้ไขเพิ่มเติมวินิจฉัยไต่สวนและตัดสินเป็นรายๆไปเจ็ดอนิตยากันแปลว่าการอันว่าด้วยอาบัตซึ่งไม่แน่ว่าจะต้องอาบัตอะไรในสองถึงสประการ สุดแต่กรณีแวดล้อมจะให้ตัดสินว่าต้องอาบัตอะไรอานิตยะหรือสิกขาบทที่ว่าด้วยอาบัตอันไม่แน่นี้มีสองสิกขาบทรวมความว่าในมหาวิพัง์หรือวินัยปิฎกเล่มหนึ่งนี้แสดงความเป็นมาแห่งการบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยอาบัตปราชิกสสังฆาทิเศษสสามอนิตยะสองรวมเป็น19ข้อ